เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเอาไว้ในที่แห่งหนึ่งในชาดกหนึ่งว่าอ า, อากัตันยุสสะโพสสะว่านิจจังวิวัตสิโนสัปปัญเจปะทวิงดัจาเนวะนังอภิราทัยเจเแม่จะให้แผ่นดินทั้งหมดแม่จะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอากาัตันจูมีปกติแสหาโทษ ของคนอื่นอยู่เสมอแล้วก็ไม่ทำให้เขาพอใจได้ไม่ต้องให้เล็กให้น้อยหรือให้เลยแต่ให้แผ่นดินทั้งหมดมันก็ทำให้มันพอใจไม่ได้แล้วก็อีกแข่งหนึ่งท่านบอกว่าออกองไฟอคิขันโทสมุตโตจะกองไฟมหาสมุตอคนมกักมากคนมกักมาก อแม่จะให้ปัจจัยเต็มเล่มเกวียนจะให้ปัจจัยเต็มเล่มเกวียนให้สิ่งของมากมายก็ทําให้ทําให้อิ่มไม่ได้หรือว่ากองไฟไม่อิ่มด้วยเชือ้อใส่ลงไปเท่าไหร่มันกินหมดไม่หมดมาหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ําแล้วคนมากๆไม่ยึดโฉคนมากมา ก, มมมา ก, มากให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ นันแต่ว่าตรงเัินข้ามคนที่เป็นคนมักน้อยได้น้อยก็เหมือนได้มากมันอยู่ที่ความพอใจรู้จักพอหรือความต้องการถ้าเราต้องการน้อยได้ได้น้อยก็เหมือนได้มากถ้าต้องการมากได้มากก็เหมือนได้น้อยทีนี้ก็ <c oughs> อีกคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญในเรื่องนี้คือโปติกะ เป็นเป็นน้องกว่าผู้อื่นแต่ว่าเป็นบันดตเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักแม้จะเป็นเพียงลูกช่างชุนนะครับแต่ก็เป็นคนมีอุปนิสัยที่ดีงามแล้วก็มีธรรมมีธรรมมีความกระตันญูกระตวเวทีมักน้อยขนาดตัวจับไก่ได้เองนี่ถ้าเผื่อว่าไม่บอกคนอื่นกินเต่คนเดียวก็ได้ แต่ทีนี้ก็ อ, อุตสาเอาของดีๆส่วนที่ดีๆให้คนอื่นและตัวเองก็กินส่วนที่เรียกว่าน้อยที่สุดว่าอยู่ในฐานะที่ต่ําต้อยที่สุดแต่ในที่สุดคนดีนะครับความดีก็จะค่อยๆส่งขึ้นมาอาให้ได้ตําแหน่งดีให้ได้อะไรที่ดีๆแล้วในที่สุดโพรติกะก็ได้ดีเพราะความเป็นคนดี อันนี้ก็วิเคราะห์หรือวิจาร์เรื่องที่เล่ามานะครับมันมีคติสูรมากมายเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องคุณสมบัติเจดประการสำหรับผู้ที่จะเป็นที่หลังไหลมาของโชคลาภคือสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย วันนี้พูดถึงหัวข้อที่หกนะครับเรื่องความกระตันอยู่เรีว่ารู้อุปการะคุณของผู้อื่นผมได้เล่านิทานแสดงถึงคนที่ไม่กระตันอยู่นั่นเป็นอย่างไรและคนที่มีความกระตันอยู่เป็นอย่างไรได้เล่ามาเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้จะขอเล่าอีกสักเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องของหนึ่งคนสามสัตว์แต่ว่าตามสำนวนบาลีท่านเรียกสัตว์ทั้งหมดเลยบางทีก็ใช้คำว่าคนสี่คนหรือชนสี่ชนสี่คนก็ในเรื่องก็มีคนหนึ่งคนกับสัตว์อีกสามชนิดสตัวสามชนิดว่าในสมัยก่อนโน้น นานมาแล้วพระโพธิสัตว์เป็นดาบดและก็อาศัยอยู่ที่บรรณศาลาใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาครั้งนั้นพระราชาวรถของพระเจ้ากรุงพา ร, ราณสีมีพระนามหรือว่าได้ได้พระนามโดย เป็นในมิตรกนามคือชื่อที่คนเขาตั้งให้ตั้งว่าทุทตกุมานถ้าพ่อแม่ตั้งไม่มีใครเขาตั้งชื่อแบบนี้ทุทตกุมารแปล ว, ว่าคนประทุษร้ายคนคนประทุษร้ายคนเราเป็นคนกักกราบเป็นคนหยาบคายือว่าไม่เป็นที่ชอบใจของใครต่อใคร คนทั้งหลายไม่ชอบไม่พอใจหรือว่าเห็นพระราชกุมารแล้วก็เหมือนกับทุลีเข้าตาคือเหมือนผงทุลีเข้าตาคือว่าเหมือนปีศาจเหมือนปีศาจที่มาเพื่อจะกินกินกินตับกินปอดกินเนื้อกินตัวอะไรทำนองนั้น <c oughs> นี่ก็วันหนึ่ง พระราชโรสองนี้ทรงเล่นอยู่ในแม่น้าคงคาต่อจัดเรียกราชบรีพานให้ให้พาไปกลางแม่นาม้าแล้วก็ขอให้พากลับด้วยราชบริพันแล้วก็เห็นได้ทีอย่างนั้นก็นําไปนําไปกลางแม่นาม้าแล้วก็พากันหนีพระราชกุมาร น, นั่นก็ถูกน้ำพัดไป ยามพัดไปลำพังผู้เดียวได้เห็นท่อนไม้ท่น100อนหนึ่งรอยมาก็เกาะท่อนไม้เกาะท่อนไม้นั้นไปกันแสงไปด้วยเวลานั้นเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งฝังซับไว้สี่สิบโกดไว้ริมฝั่งแม่นม้อที่นี้ก็ติดในซั์ จิตใจในทรัพย์ตายแล้วไปเกิดเป็นงูอยู่ที่บริเวณนั้นบริเวณที่ฝังทรัพย์เอาไว้แล้วก็มีเศรษฐีคนหนึ่งฝังทรัพย์เอาไว้สามสิบกูดใกล้ๆกันนั้นเหมือนกันแล้วก็จิตใจในทรัพย์หวงแหนในทรัพย์ผูกพันในทรัพย์ตายแล้วไปเกิดเป็นหนูอยู่ในบริเวณนั้น ตอนนี้ก็ที่อยู่ของแดดทั้งสองเนี้กรับก็จมลงไปในน้ําในความว่ารูของมันจมน้ําลงไปมันก็ออกมาจากรูแล้วก็เห็นท่อนไม้ที่พระราชกุ ม, มารเกาะอยู่ก็ขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนบน t h อนไม้เหมือนกันทีนี้ก็ที่ฝั่งแม่น้ํานั้นเองก็มีต้นงิ้วอยู่ต้นหนึ่ง มีลูกนกแขกเจ้าตัวหนึ่งอยู่ที่ต้นงิว้วต้นไม้นั้นก็โคนล้มลงบนผิวน้ำลูกนกแขกเจ้าเห็นท่อนไม้ลอยมา ก, ก็เข้าเกาะแอบอยู่เหมือนกันตกลงว่าทั้งสี่ชีวิตคนหนึ่งคนแล้วก็สั ต, ตว์สี่ตัวสัตว์สามตัวก็โทษกับสัตว์สามตัว แล้วก็สามชนิดเก็เกาะขอนไม้ไปได้ไปถึงใกล้บรรณาลาของจาปดในเวลาเที่ยงคืนจาปดได้ยินเสียงกันแสงของพระราช ก, กุมารก็ไปยังฝั่งน้ำมีความเอ็นดูในสัตว์ทุกคนหนึ่งคนกับสัตว์สามตัวนั้นก็ยกขึ้นยกขึ้นจาก ยกยกขึ้นจากแม่น้ำแล้วพาไปที่อาสมกอดไฟให้ผิงกอดไฟให้ผิงให้สามสัตว์นั่นผิงก่อนเพราะว่าคิดว่ามันมีกำลังน้อยกว่าแล้วภายหลังก็เลยให้พระราช ก, กุมารผิง ให้ปีงที่หลังเมื่อให้อาหารก็ให้อาหารแก่สามสัตว์ก่อนแล้วก็ให้แก่พระราชกุมารภายหลังเหมือนกันพระราชกุมาร น, นั้นรู้เท่าไม่ถึงการก็คิดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กบอกว่าดาบดดาบดกงนี้ไม่นับถือเราไม่นับถือเราไม่ให้เกียรติเราเพราะว่าให้เกียดตหรือว่านับถือพวกสัตว์เดรัจฉาน มากกว่าแล้วก็ผูกอาคาดผูกอาคาดในดาบปดพักอยู่ได้สองสามวันแล้วก็ก่อนที่จะไปเขาบอกว่าก่อนที่จะไปก็คิดในใจว่าเราจะฆ่าดาบปดคนนี้ให้ได้ถ้าเผื่อว่าไปหาเราในภายหลังแล้วก็กล่าวด้วยคำหวานว่าเมื่อข้าพ เ, เจ้าได้อยู่ในรัชสมบัติ ไห้ดำรงราชสมบัติแล้วขอให้ท่านขอให้ท่านไปหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะอุปถักบํบรุงท่านด้วยปัจจัยสี่ให้เพียบปริพุนแล้วก็จากไป <c oughs> <c oughs> กรณีมาถึงมาถึงวาระของงูงูก็วหว้าดาบดเป็นเหมือนกันวิธีวหว้ของงูก็ฟังออกฤรีรษะนั่นแหละแล้วกล่าวลา บ, บอกว่า ท่านได้ทำอุปการละแก่ข้าพเจ้ามากข้าพเจ้าได้ฝังทรั์ไว้สี่สิบโกดสี่สิบโกดเมื่อท่านมีธุระหรือกิจธุระที่จะต้องใช้จ่ายทรัพย์ก็ให้ไปหาข้าพเจ้าที่นั่นแล้วก็เรียกชื่อว่าทีฆะทีฆะทีฆะทีฆะแปลว่ายาวนะครับยาวงูมันเป็นสัตว์ที่ยาว อทีกระชากบานทีก็เรียกทีกระชาก <c oughs> แล้วก็จับไปทีนี้หนูก็เหมือนกันหนูก็บอกทาบทเหมือนกันให้เรียกว่าอุนทุระให้เรียกอุนทุระให้เรียกชื่อว่าอุณทุระอุนทุระให้ไปหาเขาถ้าต้องการซับเขาก็ได้ฝังเอาไว้สามสิบโกดอ <c oughs> ันนี้ก็มาถึงเรื่องนกแกะ ต, ต้ว อนอกแขกเจ้ากา็กล่าวดาับไหวดาบดโดยวิธีประงกศีรษะนั่นแหละแล้วก็อบอกว่ า, าทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าไม่มีไม่มีแต่เมื่อท่านต้องการข้าวสาลีสุขก็ขอให้ไปให้ไปหาเขาเขามีข้าวสาลีสุขที่จะตอบแทนได้ปังแล้วก็จากไป พระเจ้ากุมารไปจากไปแล้วต่อมาไม่นานนักก็ได้ดำรงอยู่ในรัชสมบัติพระโพธิสัตว์คือดาบดผู้ทาอุปการะเป็นปุพพการีนี่ใกล้จะทดลองออสัตว์ทั้งสามก่อนมีงูเป็นต้นนะครับก็ได้ไปก <c oughs> ็ได้ไปที่อยู่ของสัต์ ทั้งสามตัวสัตว์ทั้งหมดนั้นก็ได้ออกจากที่อยู่ของตนแล้วก็มาไหว้แ่พระโพธิสัตว์คือดาบุพระโพธิสัตว์ก็จับจับที่นั้นก็อยากจะทดลองราช ก, กุมารซึ่งตอนนี้เป็นพระราชาแล้วก็ไปยังพระราชอุทยาน <c oughs> ก็พักอยู่ที่นั้น วันรุ่งขึ้นก็ได้เข้าไปยังพระนครเพื่อพิกรารจารออ์คือไปขออาหารนะครับสาบวันในขณะนั้นพระราชาประทับบนคอช้างกำลังทำประทักษิณจะทำประทักษิณพระนครทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์นั้นแต่ไกลทรงํำรีว่าดาบดโกงรูปนี้ คงใครจะกินอยู่ในสำนักของเราจึงได้มาเราจะให้ตัดสิษะของมันเสียจนกว่ามันยังไม่ทันได้ประกาศคุณความดีที่ได้ทำไว้แก่เร า, เาแล้วก็รับสั่งรับสั่งให้กับกับสั่งพวกราชบุรุษให้ราชบุรุษ ให้ราชบุรุษนั้นไปทำตามที่ทำที่ตัวคิดพวกราชบุรุษก็ยังดียังดีไปแล้วก็ไปไหว้พระดาปดไปไหว้ดาปดแล้วก็เขี่ยนตีเขี่ยนตีแล้วก็ น, น, วกนำไปนาไปที่ทางสี่แพร่งนำไปตะแลงแกง ที่ที่ฆ่าคนนะครับแล้วก็ทุกแห่งทุกครั้งที่พระโพธิสัตว์นั้นถูกเคี่ยนตีท่านก็จะกล่าวจูอย่างเดียวกล่าวจูอย่างเดียวว่าออไม่ลอยน้ำมาประเสริฐกว่าออจริงทีเดียวออคนบางพวกในโลกนี้ กล่าวว่าไม้ที่ลอยน้ําไปประเสริฐกว่าแต่ว่าคนบางคนไม่ประเสริฐเลยอคนบางคนไม่ประเสริฐเลยคนบางไม้ลอยน้ามายังประเสริฐยังดีกว่าคนบางคนทุกครั้งที่ถูกเที่ยนถูกตีถูกทำร้ายท่านก็จะพูดแต่คํานีเ้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีคนที่เป็นบันฑิต ในจำนวนคนเหล่านั้นก็มีคนที่เป็นบันดิ์ ไ, ได้ฟังคำนั้นแล้วก็ถามก็เกิดเฉลียวใจขึ้นมาเขาถามท่านว่าท่านมีคุณมีบุญคุณอะไรมีบุญคุณอะไรที่ท่านได้ทำไว้กับธราชาของพวกของพวกเราหรื อ, อ, อพระโพธิสัตว์ก็ได้บอกความจริงทั้งหมด พวกมนุษย์พวกนั้นได้ฟังแล้วก็รู้สึกรู้สึกโกรธมากว่าพระราชาองค์นี้เป็นผู้ประทุสรายมิไม่รู้แม้สักว่าคุณของผู้ที่ให้ชีวิตเกิดตดพวกเราอานใสพระราชานั้นจะให้ความสุขแก่เราได้อย่างไรภายใต้ร่มเงาของพระราชาเช่นนี้พวกเราจะมีความสุขได้อย่างไร แล้วก็ชวนกันจับชวนกันจับพระราชาต่างก็ลุกฮือขึ้นสําเร็จโทษพระราชานั่นเสียแล้วก็ อ, อวิธีสําเร็จโทษก็ประชาทันนั่นเลยครับประชาทันนั่นแหละลาวบ้างหอกบ้างก้อนหินบ้างไม้คอนบ้างจับเท้าทั้งสองลากไปแล้วก็เสร็จแล้วก็จับเท้าทั้งสองลากไปไว้ที่ลังคูน้า แล้วก็อัญเชิญพระโพธิสัตว์ให้ขึ้นเป็นพระราชาพระโพธิสัตว์ก็ทรงครองราชย์โดยธรรมแล้วก็เสด็จไปอย่างที่อยู่ของสัตว์ทั้งสามมีงูเป็นต้นนะครับแล้วก็ทรงรับทรงรับเงินเจ็ดเจ็ดสิบกที่งูและหนูได้ถวายแล้วก็พาสัตว ทั้งสามนั้นไปภายหลังก็รับสั่งให้ทําที่อยู่ให้สัตว์ทั้งสามคือให้ทำปล่องทองเป็นที่อยู่ของงูแล้วก็ทําแก้วผลิกเป็นที่อยู่ของหนูกรงทองเป็นที่อยู่ของนกแขกเต้าแล้วก็รับสั่งให้พระราชทานข้าวตอกมีรสหวานแก่งูและนกแขกเต้าข้าวสาร ที่มาจากข้าวสาลีที่หอมแกนูนี่ก็เป็นความกตัญญูอีกอย่างหนึ่งของของพระราชาองค์ใหม่นะครับคือท่านที่เป็นดาบุตนี่ก็เรื่อง ก, จก็จบเท่านี้นะครับเรื่องนี้มีคติอย่างไรลองมาลองมาดู <c oughs> ลองมาแกะดูว่าเรื่องคนเรื่องสักวให้เป็นชาตกิกอย่างนี้มันมีคติอย่างไร <c oughs> เบื้องแรกประการแรกเราลองพิจารณาดูว่าพระราชกุมาร น, นี่เป็นคนกักกะเป็นคนกักกะหยาบคิดหยาบคายหยาบชาไม่เป็นที่พอใจของใครๆทีนี้เมื่อได้โอกาส เ, เขาก็ทอดทิ้ง เ, เหมือนเหมือนพระราชกุมารคนนี้คือธรรมดาว่าคนกักกะคนหยาบชาหยาบคายก็ไม่มีใครชอบ เ, ออเขาชอบคนที่นุ่มนิ่มนุ่มนวลอ่อนหวาน เป็นคนดีเป็นคนที่ให้เกียรติผู้อื่นไม่ใช่ใช้อำนาจบัตรใหญ่หรือกักขระอย่างที่เป็นพระราชกุมาร น, นี่ถือตัวว่าเป็นพระราชกุมารแล้วก็คมเหงคนอื่นพอได้โอกาสเขาก็ทาออกําร้ายเอาไปประการที่สองนะครับเมื่อถึงคราวจำเป็นแม้ทอนไม้ก็พึ่งพาอาศัยได้ ท h o n ไม้ก็พึ่งพาใส่ใจอย่างที่ท่อนไม้ท่อนหนึ่ง เ, เมื่อฝนตกใหญ่น้ําท่วมหรือว่าพระราชาพระราชกุมาร น, นั้นได้อาศัยเกาะท h o n ไม้ไปก็รอดชีวิตได้เพราะท h o n ไม้ในน้อยสัตว์สามตัวนั้นก็ได้อาศัยท h o n ไม้นั้นไปจนได้ผู้ใหญ่ผู้มีความการุณาได้ช่วยเหลือเอาไว้หรือว่าจะรอชีวิตเอาไว้จนกว่าจะได้ ผู้ที่มีความการุณาช่วยเหลืออีกทีหนึง่งนั่นก็เรียกว่าลอยเรือน้อยคอยเรือใหญ่ลอยเรือน้อยไว้ก่อนแล้วก็คอยเรือใหญ่เหมือนกับว่าถึงคราวจาเป็นเราก็อาศัยอะไรไปก่อนเล็กๆน้อยๆคอยเรือใหญ่ที่จะขึ้นเรือใหญ่ <c oughs> ก่อนจะขึ้นเรือใหญ่ได้เพราะนั้นก็อย่าดูถูกอย่าดูมิดจริงเล็กน้อย บางทีก็เงินเล็กน้อยก็พอเลี้ยงชีพได้อาหารเล็กน้อยจับเล็กน้อยข้าวน้ําเล็กน้อยอก็พออาศัยประทังชีวิตไปได้จับคนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้าบึงน้าบ่อพออาศัยจับคนชั่วมากมีจะหนีไหนดื่มไม่ได้น้ําสมุทรมันสุดเข้ม พึ่งไม่ได้คือเหมือนน้าสมุทรมันสุดเข็มทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้าบึงน้บาบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตนีไในดื่มไม่ได้น้ําสมุทรมันสุดเข็มคือเหมือนน้าในมหาสมุทรแม้จะมีมากแต่ก็ดื่มไม่ได้แถ้าเป็นทรัพย์คนดีแม้จะมีน้อยก็พึ่งได้หือถ้าเป็นทรัพย์ของเราเองแม้จะมีน้อยก็พึ่งได้ แต่ว่าใช้เมื่อไรก็ได้อย่างั้นมีทรัพย์มาใช้เมื่อไรก็ได้ไม่ใช่ว่ามีความรู้อยู่ในตำรามีทรัพย์อยู่ในมือผู้อื่นถึงเวลาที่จะใช้ทรัพย์ก็ไม่เป็นทรัพย์ความรู้ก็ไม่เป็นความรู้มีเพื่อนดีเพียงหนึ่งไม่ถึงร้อยดีกว่ารอยเพื่อนคิดตษยาเกลือหยิบหนึ่งแม่น้อยต้อยราคา ยังดีกว่าน้ําเค็มเตมทะเล <c oughs> อันนี้ก่อนจํานะครับไม่ได้แต่งเองหรอกกรอนจำเข้ามาเจออะไรที่ดีๆคนเขาแต่งเอาไว้แต่ว่าไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่งหาคนชื่อคนแต่งไม่ได้ไม่งั้นก็จะได้ออกชื่อเขาด้วยเป็นการให้เกียรติเขาแล้วผู้ใหญ่อผู้ใหญ่ที่มีใจกรุณาเช่นดาบุตรทนดูความทุกข์ของผู้อื่น ไม่ได้จึงช่วยเหลือด้วยความเต็มใจแล้วก็ช่วยด้วยเหตุผลอันสมควรว่าใครควรจะช่วยอย่างไรก่อนหรือหลังใครควรจะช่วยอย่างไรก่อนหรือหลังแต่ผู้ได้รับการช่วยเหลือไม่เข้าใจยังจึงคิดประทุษร้ายเช่นราชกุมาร ไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงเหตุผลว่าทำไมท่านดาบดจึงช่วยสัตว์3ามตัวนั้นก่อนแล้วมาช่วยตัวเองทีหลังก็คิดถึงแต่ตัวคิดถึงแต่ตัวไม่คิดถึงผู้อื่นแล้วก็ประทุษร้ายท่านในภายหลังแต่ว่าท่านผู้ที่มีใจการุณามีความรู้มีหลักมีความคิดมีเหตุผล ท่านจะท่านจะใช้หลักอะไรของท่านต่างๆ แ, แล้วก็มามาใช้มาช่วยว่าใครควรจะช่วยก่อนใครควรจะช่วยหลังใครควรจะช่วยเท่าไหร่ใครควรจะได้รับอะไรท่านก็ให้รับสิ่งนั้นไปแต่ว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไม่เข้าใจก็กลายเป็นโทษไปไปให้ร้ายแก่ท่านอย่างราชกุมาร ถ้าทุกคนประการที่ห้านะครับทุกคนมีอนุภาพของตนมากหรือน้อยอย่างเช่นนกแขกเต้ามีอนุงูนั่นก็มีอนุภาพก็มีเงินเยอะหนูนั่นก็มีเงินเยอะเหมือนกันแต่ว่านกแขกเต้านี่เขาไม่มีไม่มีเงินมากแต่ว่าเขามีอนุภาพในการที่จะให้ข้าวสารีได้ ว่าทุกคนมีอนุภาพของตนมากหรือน้อยเท่านั้นมีอนุภาพประจาตนดฉะนั้นการตอบแทนการตอบแทนผู้มีพระคุณก็ควรตอบแทนตามอนุภาพของตนคือว่าเรามีอย่างไรก็ตอบไปอย่างนั้นมีอย่างไรก็ตอบแทนไปอย่างนั้น เ, เช่นนกแขกเจ้าไม่มีเงินก็ตอบแทนด้วยรวงข้าวสาลีเป็นต้นนะครับ คือว่ากับผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณต่อเราผู้ใหญ่บางทีก็มีบริวารเยอะมีลูกศิษย์เยอะมีคนที่ท่านเลี้ยงมาเยอ ะ, อะทีนี้บางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ยากจนบางคนก็สูงสักบางคนก็ต่ำสักเราก็ช่วยไปตอบแทนท่านไปตามฐานะของเราเรามีฐานะอย่างไรมีมาพร้าวก็เอามาพร้าวมาให้มี หนังสือก็เอาหนังสือไปให้มีอะไรก็เอาวันนั้นแหละไปให้ท่านตามตามฐานะของเราไม่ต้องไม่ต้องไปคิดว่าออของเราเล็กน้อยออคนมั่งมีสีสุขเขาเยอะคิดอย่างนั้นไม่ถูกเวลาท่านทำบุ ป, ปการะต่อเราท่านไม่ได้คิดว่า <c oughs> ว่าเราเป็นใครแต่ว่าท่านให้ท่านให้ความบุ ป, ปการะเหมาะสมแก่แก่เรา แล้วเราก็ตอบแทนท่านตามความเหมาะสมหรือว่าตามฐานะของเราเรามีอย่างไรเราก็ทำไปอย่างนั้นตามฐานะของเราตอนนี้ก็ประการสุดท้ายนะครับ <c oughs> ประการสุดท้ายคำกล่าวของท่านดาปดวว่าไม้ลอยน้ามาดีกว่าคนบางคนคือว่าไม้ที่มันลอยน้ามาถ้าเบื่อเก็บเอาไว้ แล้วก็ตากให้แห้งก็ยังเป็นเชือไฟได้ทำเป็นฟื้นผิงไฟก็ได้หรือว่าทำเป็นขอนรองเหยียบก็ได้ทำเป็นไม้เท่าก็ได้ทำอะไรได้หลายอย่างแล้วแต่เราจะดัดแปลงทำไปแต่ว่าคนบางคนนี่สู้ไม้ลอยน้ำไม่ได้คือว่าใจรับการช่วยเหลือแล้วก็ กับประทุษ้ายผู้ที่ช่วยเหลือแต่ออ ว, ว่าถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นคนอากตันยูอกะตะาเวทีในที่สุดตนเองก็ต้องได้รับภัยพิบัติหรือได้รับความพินาศอย่างที่พระราชกุมาร น, นั้นได้รับจากประชาชนและถูกประชาชนจริงๆก็ได้ดีแล้วแต่ ว, ว่ารักษาไว้ไม่ได้เพราะความที่เป็นคนไม่กตันยูเพราะฉะนั้น คุณสมบัติประการหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นที่ไหลมาแห่งโชคลาภหรือว่าสิ่งที่ดีงามทั้งหลายก็คื อ, อาการเป็นผู้รู้ประกาะคุณกองทันหรือความเป็นผู้กตัญญูกตา ว, วทีวันนี้เป็นวันวันพรฤหัสปฏิที่ยี่สิบห้ามกราคมสองพัน 444ครับกเ็เป็นวันกองทัพไทยในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงเหมือนกันทรงแสดงเรื่องนักรบเรื่องนักรบ เ, เทียบกับผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งมีภิกษุมาเป็นประธานยกภิกษุขึ้นมาเป็นประธานว่านั ก, กลบที่ดีซึ่งสมควรเป็นสมควรเป็นนั ก, กลบของพระรัต